มีคนจำนวนมากพากันสักกาะระเคารพนับถือบูชานอบน้อมจึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิรณะปั จ, จัยเภสัชบริการครั้งนั้นเมื่อพาหิยะทารุจิริยะอยู่ในที่ลับปรีกเล่้นอยู่เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเราเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนในโลกที่เป็นพระอรหรันต์ หรือว่าเป็นผู้บรรลุอรหันตมรรคคราวนั้นเทวดาที่เป็นญาสาโลหิตในปางก่อนของเขามีปกติอนุเคราะห์ปรารถนาจะให้เกิดประโยชน์ได้ทราบความคิดคำนึงของเขาจึงเข้าไปหาเขาถึงที่อยู่ได้พูดดังนี้ว่าพาหิยะท่านไม่เป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นผู้บรรลุอรหันตมรรคเลยแม้ปฏิปทาที่เป็นพระอรหันต หรือเป็นผู้บรรลุอรหันตมรรคของท่านก็ไม่มีผ้าหิยะทารุจริยะยังถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหันตมรรคในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเทวดานั้นตอบว่าพาหิยะในชนบททางเหนือมีเมืองชื่อว่าสาวัตถี พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่นั้นพาหิยะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ทั้งทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยลำดับนั้นพาหิยะทารุจีริยะถูกเทวดานั้นทำให้สังเวทแล้วจึงหลีกไปจากท่าสุ ป, ปารกะ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 ได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรมได้พูดดังนี้ว่าท่านขอรับบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนกระผมต้องการจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพาหิยะพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปบินธบาต ยังละแวกบ้านลำดับนั้นพาหิยะทารุจจริยะรีบด่วนออกจากพระเชตวันเข้าไปยังกรุงสาวัตถีได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้กำลังเสด็จเที่ยวบินทบาตในกรุงสาวัตถีผู้น่าเลื่อมใสทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีอินทรีสงบมีพระไทยสงบ ทรงบรรลุธรรมะและสมถะที่สูงสุดทรงฝึกฝนแล้วคุ้มครองแล้วทรงสำรวมอินทรีย์ทรงเป็นพระนาคครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปเฝ้ามอบลงแท้พระยุคนระบาดพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรม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 จิตของพาหิยะทารุจิริยะจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นคลั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนพาหิยะทารุจริยะด้วยโอวาทที่ย่อนี้แล้วก็เสด็จจากไปโดยพระผู้มีพระภาคเสด็จออกไปไม่นานเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานโคแม่ลูกอ่อนได้ขวิดพาหิยะ ทารุจจริยะจนล้มลงเสียชีวิตขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบินทบาตในกรุงสาวัตถีเสด็จกลับจากบินธบาตหลังจากเสวยพระกยายฐารเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระนครพร้อมกับภิกษุจํานวนมากได้ทอดพระเนตรเห็นพาหิยะทารุจจริยะเสียชีวิตแล้วจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงช่วยกันยกร่างพาหิยะทารุจจริยะขึ้นวางบนเตียงแล้วนําไปเผาและจงทําสถูปไว้เพื่อนพรหมจารีของเธอทั้งหลายเสียชีวิตแล้วภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วช่วยกันยกร่างพาหิยะทารุจจริยะขึ้นวางบนเตียงแล้วนําไปเผาทําสถูปไวแล้วพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเผาร่างพาหิยะทารุจริยะและทำสถูปไวแล้วพระพุทธเจ้าข่าเขามีคติอย่างไรมีพบเบื้องหน้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข่า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 เขย่อมพ้นจากรูปภพอรูปภพและจากสุขและทุกข์ภาิยะสูตรที่สิบจบ